ที่กล่าวมาเป็นอันสรุปได้ว่าการุณาเป็นผลสืบเนื่องจากปัญญาและความมีจิตใจเป็นอิสระปัญญาในที่นี้มีคําเรียกจำเพาะว่าวิชาและความมีจิตใจเป็นอิสระก็มีคําเรียกจำเพาะว่าวิมุตจัดลําดับเข้าชุดเป็นวิชาวิมุตและกรุณาวิชา คือความรู้เท่าทันสภาวะซึ่งทําให้อัตตาไม่มีที่ตั้งอาศัยวิมุติคือความหลุดพ้นปลอดโปรง่งโลง่งเป็นอิสระและกรุณาคือความรู้สึกแผ่ออกของจิตใจที่ไวต่อและไวตามทุกข์ของสัตว์ต้องการช่วยปลดเปลื้มให้ผู้อื่นหลุดพ้นเป็นอิสระ3อย่างที่กล่าวนั้นเป็นคู่ปรับตรงข้ามกับอวิชชา ตัญหาและอุปาทานอาวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันตามสภาวะที่ทำให้เกิดมีอัตตาขึ้นมาเป็นที่ข้องขัดตัณหาคือความอยากที่จะให้อัตตาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งหรือภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอาการที่จะสนองความขาดพร่องของอัตตาหรือหล่อเลี้ยงเสริมขยายอัตตานั้นและอุปาทานคือความยึดติด เกาะเกี่ยวเนียวแน่นกับสิ่งหรือภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งือเมื่อเห็นไปว่าสิ่งหรือภาวะนั้นมีความหมายสำคัญต่อการสนองอัตตาหรือความยิ่งใหญ่เข้มแข็งมั่นคงของอัตตาผู้มรลุนิพพานละอวิชชาตันหาอุปาทานแล้วจึงมีปัญญาเป็นเครื่องนำทางบอกทางและมีกรุณาเป็นแรงจูงใจในการกระทำกิจสืบต่อไป โด ย, น, ยนัยนี้จะเห็นได้ว่าถ้าจะต้องใช้ตันหาเป็นแรงจูงใจในการกระทำทุกอย่างแล้วการทำความดีต่อกันหรือการช่วยเหลือกันจะเป็นการช่วยเหลือที่แท้จริงหรือเป็นการช่วยเหลือที่บริสุทธิ์ไม่ได้เลยและใ น, นทันองเดียวกันตราบใดที่ยังมีตันหาหรือใช้ตันหาเป็นแรงจูงใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นการช่วยเหลือนั้นย่อมไม่ใช่เป็นกรุณาที่แท้จริง ความจริงตันหาซึ่งก็คลุมถึงอวิชชาและอุปาทานด้วยไม่เพียงเป็นแรงจูงใจที่มีอันตรายเท่านั้นแต่ยังทำให้มองข้ามหรือมองไม่เห็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอีกด้วยหรือแม้เห็นก็เห็นผิดพลาดบิดเบือนไปเสียไม่รู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงสิ่งที่เป็นประโยชน์กลับเห็นไปว่าไม่เป็นประโยชน์ สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเห็นไปว่าเป็นประโยชน์โดยปรากฏออกมาในรูปของราคะโทสะโมหะที่ครอบงำใจเสบ้างในรูปของนิวรห้าที่กำบังขวางกั้นการทำงานของจิตใจเสบ้างต่อเมื่อปราศจากกิเลสเหล่านั้นแล้วจิตใจจึงจะราบเรียบผ่องใสมองเห็นและรู้จักตัวประโยชน์ที่แท้จริงเหตุผลขั้นสุดท้าย ที่ทำให้ผู้ถึงนิพพานแล้วไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือห่วงใยเรื่องของตนเองสามารถทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นหรือบำเพ็ญกิจแห่งกรุณาได้เต็มที่ก็เพราะเป็นผู้ทำประโยชน์ตนเสร็จสิ้นแล้วพระอรหันต์มีคุณบทคือคำแสดงคุณลักษณะว่าอนุปัตตะสัทถะแปลว่า เป็นผู้บรรลุประโยชน์ตนแล้วและกะตะการณิยะแปลว่าผู้มีกิจที่ต้องทำอันได้กระทำแล้วคือทำเรื่องของตัวเองเสร็จแล้วเมื่อทำอัตตะะประโยชน์ของตนเรื่องของตนเสร็จแล้วเป็นผู้มีอัตตาหิตะสมบัติพรั่งพร้อมสมบูรณ์ด้วยประโยชน์ของตนมีตนคือคุณสมบัติข้างในตัวที่พร้อมดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงใยเรื่องของตัว สามารถทำปรารถะประโยชน์ของผู้อื่นเรื่องของคนอื่นได้เต็มที่จึงดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยปราหิตะปฏิบัติการปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นสืบไปเมื่อมีความพร้อมเป็นฐานอยู่อย่างนี้แล้วพระอรหันต์จึงสามารถมีคุณลักษณะเป็นสัพพมิตรคือเป็นมิตรกับทุกคนเป็นสัพพสสคะคือเป็นเพื่อนกับทุกคนและเป็น สัพพภูตานุกรรมประกับคือเป็นผู้หวังดีต่อสรรพสัตว์ได้อย่างแท้จริง